พระบัญญัติ444ก็ภิกษุใดนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับพอจะทำการได้กลับมาตุคามสองต่อสองอุบาสิกามีวาจาเชื่อถือได้ได้เห็นภิกษุนั่งกลับมาตุคามนั้นแล้วกล่าวโทษ ด, ด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาอาบัติสามอย่างคือปาราชิกสังฆทิเศตหรือปาจิตตีภิกษุนั้นยอมรับการนั่งเพิ่งถูกปรับด้วยอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาอาบัติสอย่างคือปาราชิกสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาเชื่อถือได้นั้นกล่าวโทษ ด, ด้วยอาบัติใดภิกษุนั้นเพิ่งถูกปรับด้วยอาบัตินั้นอาบัตินี้ชื่อว่าอนิยตเรื่องพระอุทายีจบ